ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระองค์นั้นสัตตะปัพพะปุพภัสิกขาและบุพพัสิกขาวันนาพระอมราภิรกิตะอมรเกิดวัดบ ร, รมนิวาสรถนาต่อไปจะเป็นการกล่าวในขันธวัดว่าด้วยเรื่องของอุปชายวัดวัดที่สิบเอ็ดในอุปชายวัรความว่า ภิกษุผู้เป็นสัจฉิวิหาริกพึงปฏิบัติชอบในอุปัชาความปฏิบัติชอบอย่างนี้สัตฉิวิหาริศคือภิกษุและสามเณรพึงลุกขึ้นแต่เช้าถ้าสวมรองเท้าจงกรมอยู่พึงนถอดรองเท้าเสียทำผ้าห่มฉวียงบ่าข้านหนึ่งพึงให้ไม้สีฝันให้น้ำล้างหน้าบ้วนปากแล้วกูอาสนะไว้ข้าวต้มมีพึงล้างภาชนะนำข้าวต้มน้องเข้าไปให้ อุปชาฉันก็ต้มแล้วพึงถวายน้ําแล้วรับภาชนะเข้าต้มมาทําโดยเคารพอย่าให้ประทบครูสีล้างเก็บเสียด้วยดีเมื่ออุปชาลุกแล้วพึงรื้อเก็บอาสนะเสียถ้าอุปชาใครจะเข้าบ้านไส้พึงให้ผ้านุ่งและรับผ้าเปลี่ยนนุ่งพึงให้รกระกตเอวพึงซ้อนผ้าอุตราสง์กับผ้าสังคติเป็นสองชั้นให้พึงล้างบาดแล้วให้ทั้งน้ําด้วย ถ้าอุปชาจำนงจะให้เป็นปัจฉาสมณะตามหลังไปด้วยสายพึ่งปิดกายให้มีมนลทนสามนุ่งให้เป็นปริมนลทนแล้วาคาดตะกดเอวซ้อนผ้าให้เป็นสองชั้นหม่มคลุมกัดรังดุมล้างบาดถืออาบาตแล้วเป็นปัจฉาสมณะไปภายหลังแห่งอุปชาอย่าเดินไปให้ไกลนักอย่าให้ใกล้นักคเนพออุปชาเหลียวมาพูดด้วย ก้าวไปก้าหนึ่งสองก้าวมาถึงบาดอุปชาร้อนหรือว่าเต็มด้วยข้าวต้มหรือขา้าวสวยพึงรับบาดอุปชาเปลี่ยนบาดของตนให้อุปชาเมื่ออุปชาพูดอยู่อย่า ก, กล่าวคำสอดแทรกขึ้นในระหว่างระว่างเมื่ออุปชากล่าวคำใกล้ต่ออาบัตก็ทำดุดถามว่ากล่าวเช่นนี้ควรหรือไม่เป็นอาบัตหรือไม่ห้ามเสียอย่าห้ามด้วยคากระโชยกระชัน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 ถ้าที่นั้นกรกด้วยอยากเยื่อไซส์ก็พึงกว่าแทวเสียถ้าอุปชาใครจะสงน้ำไซสก็พึงจัดตั้งน้ำอาจให้ถ้าต้องการด้วยน้ำเย็นก็พึงจัดตั้งแต่น้าเย็นถ้าต้องการด้วยน้ำร้อนก็พึงจัดตั้งน้ำร้อนให้ถ้าอุปชาใครจะเข้าเรือนฝ่ายไซสก็พึงบดจุนแช่ดินทาหน้าไว้แล้วถือตั่งสำหรับเรือนไ่าตามหลังอุปชาไปแล้วให้ตัง่งรับกีวรมาเก็บไว้ที่สมควรข้างหนึ่ง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 ถ้าอุตสาหะอยู่พึงชมระปัดกวาดเสียเมื่อจัดชมระกุดีพึงปฏิบัติดังกล่าวแล้วในเสนาสนาวัตจงทุกประการจนถึงตักน้ำไว้ในหม้อชมระเถิดถ้าความกระสันไม่ยินดีในพรหมจรรย์อยากสึกเกิดขึ้นแก่อุปชาไซให้สติวิหาริศพึงพาไปเที่ยวในที่อื่นหรือวางที่ตุอื่นให้พาไปเที่ยวเสีย หรือทำธรรมมัจกถาโน้มน้าวให้อุปชาหายประสันถ้าความรําคาญรังเกียจสงสัยให้เกิดขึ้นแก่อุปชาให้สัิวิหาริษพึงบรรเทาเสียหรือวาที่จูอื่นให้ช่วยบรรเทาเสียหรือทำธรรมมัจกถาให้อุปชาระงับเสียถ้าทิดทีความเห็นผิดเกิดขึ้นแก่อุปชาไซให้สัิวิหาริกว่ากล่าวให้ตลาดเสียหรือวาที่จูอื่นให้ว่ากล่าวให้ตละดเสีย หรือทำธรรมกถาให้อุปชาตะ้งนับเสียถ้าอุปชาต้องครุฑธรรมคือสังฆทิเศตเป็นผู้ควรปริวาทหรือว่าอยู่ปริวาท ต, ต้องอันตราบาัอตอ ბ ัตในระหว่างเป็นผู้ควรมูลายะปฏิการนาชักขหาบัตเดิมหรืออยู่ปริวาทแหนเป็นผู้ควรแก่มานัทหรืออยู่มานัทแล้วเป็นผู้ควรแก่อัพทานกรรมก็คือการเรียกเข้าหมู่อยู่มานัทก็นับราตรีอีกหกราตรีอยู่ปฏิบัติเข้่งครัดมากขึ้น อยู่ได้ร้อยแลนวก็สมควรกับการอภิธานเรียกข้าหมู่ได้ละ่ะจิจเหล่านี้ให้สัตทีวิหาริษพึงทําความผนขวายว่าชไหนสงจะพึงให้ปริวาทและมูลายะปฏิกานะและมานัตและอภิานแก่อุปัชาดังนี้ถ้าสงใครจะทําตัดชยกรรมก็คือตําหนิจีเตียนหรือนิยสกรรมก็คือลดยศลดตาแหน่งหรือปัปภาชญกรรมก็คือขับไล่ออกจากวัด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 หรือสติวิหาริ์พึงทำความขวนขวายในกิจเหล่านี้เมื่อจะย้อมจีวรแห่งอุปชาพึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาด้วยดีเมื่อตากแถวน้ำย้อมในจีวรยังไม่ขาดอย่าพึ่งรีกไปเสียเฝ้าอยู่ก่อนไม่บอกอุปชาอย่าให้บาดให้จีวรให้บริการและโกนผมให้และทำบริกรรมให้และทำความขวนขวายให้แก่คนบางคน ก็คือคนที่ไม่เป็นสภาคาเป็นวิสภาคากับอุปชาในี่ยนะไม่ค่อยถูกกันไม่ควรไปทำให้ถ้าไม่บอกอุปชาก่อนและอย่ารับบาตรับจีวรรับบริขารของคนบางคนและอย่ายังคนบางคนให้โกนผมให้ให้ทาบริกรรมให้ให้ทำความผนขวาให้แก่ตนและอย่าเป็นปัจชามนตร์ตามหลังคนบางคนหมายถึงัำพิจาุ ด, ด้วยกันอย่าถือเอาคนบางคนมาเป็นปัจชามนะ อย่านำบินฑบาทไปให้แก่คนบางคนอย่าให้คนบางคนนำบินดาบาทมาให้ซึ่งว่าคนบางคนนั้นประสงค์เอาคนที่เป็นวิสภาคะไม่ชอบแก่อุปชาต้องบอกอุปชากรจึงทำการเหล่านี้ได้เด๋ยวเกิดอุปชาไม่พอใจขัดเคืองก็ไม่สอนธรรมะวินัยให้และไม่บอกลาอุปชากร อ, อย่าพึ่งเข้าไปบ้านอย่าพึ่งไปป่าชา้าเพื่อจะอยู่หรือว่าจะดูอย่าพึ่งไปตูทิศ ใครจะเข้าไปบ้านหรือว่าบินธบาทคือด้วยกิจอื่นพึงบอกอุปชาก่อนจึงเข้าไปถ้าอุปชาปรารถนาจะลุกขึ้นแต่เช้าไปยังที่พิขาจารไกลไซอุปชาก็พึงบอกว่าพิกตุนมจงเข้าไปบินธบาทเธิดดังนี้ก่อนแล้วจึงไปเมื่อไม่บอกดังนี้แล้วไปเสียสติวิหาริสไปที่บริเวณไม่เห็นอุปชาจะเข้าไปบ้านก็ควร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 ถ้าพิจูผู้อุปถากอื่นมีอยู่ไซ้พึงแสดงหายาให้ไว้ในมือของพิจุนั้นแล้วบอกว่าเธอองค์นี้จักอุปถาแล้วจึงค่อยไปสัตติวิหาริกจะพึงปฏิบัติ ด, ดีในอุปชาทั้งหลายอย่างไรนี้แลเป็นอุปชายวัดแห่งสัตธิวิหาริกดังนี้แลอุปชายวัดต่างจบต่อไปวัดที่สิบสองเป็นสัติวิหาริกวัรในสัตธิวิหาริกวัด ความว่าอุปชาพึงปฏิบัติชอบในสัตทิงวิหาริกความปฏิบัติชอบอย่างนี้อุปชาพึงสงเคราะห์พึงอนุเคราะห์สัจจิวิหาริศด้วยอุทเทศคือบอกบาลีด้วยปริปุชชาคือบอกเนื้อความแห่งบาลีก็คืออัจฉริยะนั่นเองและด้วยโอวาทคือสั่งสอนด้วยอนุสาสนีคือพร่มสอนเนื่งเนืองถ้าบาและกีวรและสำนัก บ, บริหารอื่น ซึ่งเหลือเฟือมายถึงว่ามีมากของอุปชาเนี่มีมากของสัตวทิมิหาริสไม่มีไตอุปชาพึงให้หรือพึงตามความขนขวายว่าฉะไหนาบาสนาจีวรและสมณบริขารจะพึงเกิดขึ้นแก่สัตว์ทิมิหาริสดังนี้ถ้าสัตว์ทิมิหาริสเป็นไข้ไตให้อุปชาพึงปฏิบัติดังกล่าวแล้วในอุปชัยวัดทุกประการเถิดด้วยว่าตั้งแต่ให้ไม้สีฟันไป เหมือนด้วยอุปชัยวัตรทุกข้อเว้นแต่อุปชาไม่ต้องบอกลาสัติวิหาริกเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสัตยมิหาริกป่วยนี่ก็ต้องไปเป็นปัจฉาสมณะนะล้างบาดให้ซักจีวรให้อะไรให้ทุกอย่างเลยถ้าเกิดสัตยมิหาริกป่วยเนี่ยต้องทํายกเว้นแต่ไม่ต้องบอกลาคระบ้านอะไรเฉะนั้นตั้งแต่ให้ไม้สีฟันไปจนสร้างถึงตัดน้ําไว้ในหม้อชมระวัดเหล่านี้อุปัชาพึงทําแกสัติวิหาริก เมื่อเป็นไข้อย่างเดียวแต่พาสัตวิหาริกไปเที่ยวรำนับความกระสันเป็นต้นไปแม้สัตวิหาริกไม่เป็นไข้อุปชาต้องทำแท้สักจีวอต้มน้ำย้อมย้อมจีวอนเหล่านี้อุปชาพึงสอนสัตวิหาริกให้ทำเถิดอุปชาทั้งหลายจะพึงปฏิบัติชอบในสัตวิหาริกอย่างไรนี้แหลเป็นสัตวิหาริกวัตของอุปชาดังนี้แหลสัตวิหาริกกวัตตังจบ วัที่สิบสามก็คืออาจาริยวัรในอาจาริยวัรความว่าอันเตวาสิกผู้ถือนิสัยอยู่ด้วยกับอาจารย์พึงปฏิบัติชอบในอาจารย์ความปฏิบ pu ัติชอบในอาจารย์เหมือนกับอุปชัยวัรทุกประการเลยยังก็ให้อันเทวาสิกปฏิบัติในอาจารย์เหมือนกับสัตธิหาริ์ปฏิบัติในอุปชานั่นเองอาจารยวัดต่างจบวัดที่สิบสี่ก็คืออันเวาสิกวั ในอัอนเตวสิกวัตรความว่าอาจารย์ผู้ให้นิสัยพึงปฏิบัติชอบในอันเตวาสิกความปฏิบัติชอบในอันเตวสิกก็เหมือนกับสัตธิวิหาริกวัตรทุกประการก็คืออุปชาต้องปฏิบัติต่อสัตธิหาริกอย่างไรอาจารย์ก็ต้องปฏิบัติต่ออันเตวสิกอย่างนั้นก็มีสองคู่ลูกศิษย์อาจารย์ก็คืออุปชานั้นก็เป็นผู้ที่บวชให้แก่สัตธิหาริกสัตยิหาริกก็เป็นลูกศิษย์ของอุปชาอุปชาหมายถึงผู้ที่ คอยเพ่งโทษน้อยโทษใหญ่ให้พ้นจากโทษเหล่านั้นแก่ลูกติดส่วนสัทยิมหารทธิ์ก็หมายถึงว่าผู้ที่อยู่ร่วมกับอุปชาโดยอาศัยอยู่ร่วมเพื่อจะประพฤติ ธ, ธรรมวินัยรูปติาจารย์คู่หนึ่งส่วนอาจารย์อาจารย์ก็หมายถึงผู้ที่ยังไก่ตามมชีกรรมหรือว่ายังข้อวัดให้บริบูรณ์อย่างลูกติดให้มีการประพฤติด้วยกายด้วยวาจาอบรมกายวาจาให้แก่ลูกติดแล้วก็อันเจวะติคหมายถึงผู้ที่อยู่ภายใน ผู้ที่อยู่ภายในก็เพื่อที่จะได้ศึกษาและทำวินัยตามคํำส่งของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าันเองอยู่ภายในคําสอนของอาจารย์ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็มีของคู่ด้วยกันอันเตวะสิกะวัตตังจบในวัดทั้งสิบสี่นี้พิจตุอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อไม่ทําตามเป็นทุกกฎในขณะเมื่อปลงจิตจะไม่ทําทุกวัดไปแต่ในข้อใดเป็นคําปฏิเสธห้าม กอบด้วยคําว่านัณอต่อนแปลว่ายายาหรือว่าไม่ไม่นั้นขืนทําในข้อนั้นๆเป็นทุกกฎในขณะเมื่อล่วงทุกข้อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของขันทกกวัดขันทกกวัดต่างจบต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการขอนิสัยแล้วก็เป็นเรื่องของการระงับนิสัยต่างต่า ง, างกบทผู้จะบวช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 ผู้ที่ได้อุปสม บ, บทขึ้นเป็นที่สุปตามชื่อว่าสัจฉิวิหาริกอุปชาก็พูดเพลงเรลงโทษน้อยโทษใหญ่สัจฉิิหาริกหมายถึงผู้อยู่ร่วมสัจฉิวิหาริกนั้นพึงปฏิบัติด้วยดีในอุปชาถ้าไม่ปฏิบัติด้วยดีต้องถูกกดสัตฉิวิหาริกเมื่อไม่ทําวัดตั้งแต่ให้ไม้สีฟันมาจนถึงย้อมจีวรความเสื่อมย่อมมีแก่อุปชาเพราะเหตุนั้นสัตฉิวิหาริกเมื่อไม่ทําวัดนั้น แม้เป็นนิสัยมุตตะกะแล้วกหมายถึงพ้นนิสัยแล้วหรือยังไม่พ้นก็ดีคงเป็นอาบัตแท้ถ้าไม่ประพฤติข้อวัดเหล่านี้จะพ้นนิสัยหรือไม่พ้นนิสัยก็เป็นอบัตเมื่อไม่ทำวัดตั้งแต่ไม่บอกอุปชาตอนให้บาจีวรดเป็นต้นแก่คนบางคนไปยังไม่พ้นนิสัยอย่างเดียวจึงเป็นอบัตถ้าพ้นนิสัยแล้วก็ไม่ต้องอบัติละอุปชาไม่ปฏิบัติดีในสัทธิหาริปก็เป็นอบัตทุกโกรธแก่อุปชา อุปชาปฏิบัติดีสัทิวหาริกทั้งหลายไม่ปฏิบัติดีเป็นอาบัตแก่สัทิวหาริกทั้งหลายนั้นเมื่ออุปชายินดีวัดอยู่สัทยิวหาริกแม้มากด้วยการไม่ทำเป็นอาบัตด้วยกันทั้งหมดเลยถ้าอุปชากล่าวว่าคนผู้อุปทาของเรามีอยู่ท่านทั้งหลายจงทำความเพียรในการสารยายและมนสิการเป็นต้นของตนเถอดังนี้ท้ไม่เป็นอาบัตแก่สัติวหาริกทั้งหลาย อุปชาไม่รู้ซึ่งจะยินดีหรือไม่ยินดีวัดเป็นคนขาวอยู่ตัทชทิวิหาริกมากด้วยกันองค์หนึ่งซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยวัดปฏิบัติถ้าทำเอาเป็นภาระตนเสียว่าถ้าพระเจ้าจะทากิจแก่อุปชาทานทั้งหลายจงมีความผลขายน้อยเถิดดังนี้แล้วก็ปล่อยที่สุดอื่นไปใช้ตั้งแต่เธอนั้นทำเป็นภาระของตนไปไม่เป็นอบัตแก่ตัิวิหาริกเหล่านั้น เพกษุผู้ไม่มีอุปชาขอนิสัยโดยอาการดังกล่าวแล้วก่อนในสำนักสิสูซึ่งเป็นพระหูสูมีภรษาสิทธิ์องค์ใดด้วยคำว่าอาจาริโยเมพันเตโฮหิอายะสมะโตนิสายะวัชามิดังนี้แล้วเพกสุนั้นให้รู้ความด้วยคำว่าสาหุเป็นต้นไปบทใดบทหนึง่งเกิดนั้นชื่อว่าอาจารย์ผู้ให้นิสัเอันนี้ก็ไม่ได้อยู่กับอุปชาและ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 ด้วยว่านิสยันเตวาติผู้ที่อาศัยอยู่ยังอาศัยอาจารย์อยู่ตราบใดต้องทําอาจริยวักอยู่ตราบนั้นแต่ตับพัฒนเตวาติสิทธิ์ผู้รับสารณาคมจะบวชเป็นสามเณรและอุปสำปันเตวาติสิทธิ์ผู้ที่ท่านสวดกรรมวาจาเป็นอุปสัมบันทิสุและทำรรมมันเตวาติสิทธิ์ผู้เรียนทำสามนี้ แม้เป็นนิสัยมุตตะ ก, ก็คือพ้นนิสัยแล้วก็ยังต้องทําอาจารยวัตดอยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงจอมกีวร อ, อันนี้แม้ว่าพ้นนิสัยแล้วนิสยันเตวาศิง น, นี้ต้องทําวัดตลอดที่ยังถือนิสัยอยู่แต่ว่าสําหรับปรับพัชชันเตวาศิกรมัคือลูกศิษย์ที่ได้รับการบวชในอุปสมบทันเตวาศิกลูกศิษย์ที่ได้รับการบวชเป็นพระเราอุปชาเนี่ยแหละแล้วก็ทํามันเตวาศิลลูกศิษย์ที่เรียนทํา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 ด้วยว่าในอาจารย์และอันเตวสิกทั้งหลายผู้ใดไม่ปฏิบัติดีตามวัดเป็นอบัติแก่ผู้นั้นเพราะพระองค์ประสงค์จะให้เคารพแก่กันจึงได้ทรงอนุญาตอุป ช, ชาและอาจารย์ไว้ดังนี้ว่าเราตถาคตอนุญาตอุปั ช, ชาเราตถาคตอนุญาตอาจารย์ดูก่อนพิกูจทั้งหลายอุป ช, ชาและอาจารย์จักตั้งจิตว่าเป็นบุตรของเราด้วยความรักในสัตวิหาริกและอันเตวสิก สัจจิปหาริศอันเทวสิกจากตั้งจิตว่าเป็นบิดาของเราด้วยความรักในอุปชาและอาจารย์เมื่อเป็นเช่นนี้เธอทั้งหลายนั้นจากเคารยพยำเกรงแก่กันและกันจากมีความเลี้ยงชีพเสมอกันและจักถึงความเจริญงอกงามไพบู์ในธรรมวินัยนี้เพราะเหตุ น, นั้นควรจะปฏิบัติดีในกันและกันต่อไปก็จะเป็นการระงรับนิสัยจากอุปชาซึ่งมีห้าประการด้วยกัน อันหนึ่งความระ ง, งับนิสัยจากอุปชามีห้าอย่างก็คือหนึ่งปักกันโตวาโหติอุปชาหลีกไปสู่ทิศจากอาวาเสียออกจากวัดไปโดยที่ลูกศิษย์คือสัตยุหาริกไม่ได้ไปด้วยก็นิสัยระ ง, งับเหมือกันอันที่สองวิพันโตวาหรืออุปชาศึกเสร็จแล้วจะศึกก็นิสัยก็ระ ง, งับ ข้อที่สามการละกะตววหรืออุปชาถึงการเสียจแล้วก็คือการละถึงการละตายตายก็นิสัยการงัดข้อที่สี่ปักขะสังกันโตวาหรืออุปชาก้าวไปถู่ปักคือไปเป็นผู้เด ร, เรัจฉีเสียก็นิสัยระงับเหมือนกันข้อที่ห้าอนัตติเยวะปัญจมีสังบังคับก็คือสัตยิหาริปประกอบด้วยองค์ที่เป็นโทษห้าอุปชาก็เลยประนอมนิสัยเสีย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 อุปชาพึงส่งข่าวมาในวิหารว่าเท็กตุนุ่มทั้งหลายอยากประสันเลยเราจะมาในวันโน้นแม้ดังนี้ก็ได้บริหารคุ้มอยู่ได้เหมือนกันความไม่ต้องอาบัดในการไม่ได้ถึงไสเมื่ออุปชากลับมาถ้ามีความวุ่นวายขึ้นในกลางทางด้วยน้ําเต็มแม่น้ําหรือว่าโจรเป็นต้นไซอุปชาคอยน้ําลดอยู่หรือแสวงหาสหายอยู่ถ้าเิกตุนุ่มได้ฟังข่าวนั้นอยู่ไซ ได้บริหารอยู่กว่าท่านจะมาเหมือนกันก็คื อ, อยังไม่ต้องอาบัติไม่ต้องถึงนิสัยก็อยู่ได้ไม่ต้องอาบัดถ้าแลงอุปชาทรงข่าวมาว่าเราจะอยู่ในที่นี้แท้ดังนี้บริหารไม่มีเลยต้องไปถึงนิสัยแล้วเคยได้นิสัยในที่ใดพึงไปในที่นั้นแต่ซึ่งอุปชาศึกคือเคลื่อนจากาศาสนาหรือถึงแก่การะหรือไปเป็นเยริถีเสียทั้งสามนี้บริหารแม้สักวันหนึ่งก็ไม่มีเลย ถ้าเกิดลาสิขาไปหรือว่าตายหรือว่าไปเข้าดิเดตเดียตถีนี่ก็ต้องไปถือนิสัยใหม่เคยได้นิสัยในที่ใดพึงไปในที่นั้นเถิดซึ่งว่าประนามผลักนิสัยเสียนั้นสัตวิหาริกไม่ปฏิบัติดีอุปชาพึงประนามผลักเสียด้วยคําว่าปะนาเมมิตังเราขอประนามเธอหรือว่ามาอิทะปกรมิเธอจงรีไปจากที่นี้หรือว่านีหะเตปัตะจีวรัง ก็คือเธอจงนำบาทอีวันว่เธอไปหรือว่านาหังตยาอุปถาตัปโโบเธอไม่ต้องมาอุปถัมเราแล้วนะเหล่านี้บทใดบทหนึ่งก็ดีหรือด้วยคำพ้นบาลีเป็นต้นว่าท่านอย่าบอการเข้าไปบ้านกับเราเลยดังนี้ชื่อว่าถักนิสัยเสียนิสัยก็เป็นอันรัรบเธอนั้นถพงให้อุปชาอดโทษเสียถ้าอุปชาไม่อดโทษ แต่ต้นไปไตายเธอนั้นพึง ท, ำทํำธนกรรมตนเองก็คือลงโทษตัวเองเป็นต้นว่าตักน้ําขนตายแล้วขอขมาโทษเองสามครั้งก่อนทําถึงสามครั้งเลยนะถ้าท่านไม่อดโทษให้ไซพึงพาพระมหาเถระในวิหารนั้นมาช่วยขอขมาโทษให้ถ้าแม้ท่านก็ไม่อดโทษให้อีกเล่าวไซก็พึงพาที่สุดทั้งหลายในวิหารใกล้มาให้ขอขมาโทษให้ ถ้าแม้ดังนี้ท่านก็ไม่อดโทษเล่าตายก็แสดงว่าโทษหนักมากเลยนะแล้วก็มีบรรดาด้วยด้วยนะถ้าภิกษุขอเข้ามาโทษแล้วอุปชาไม่อดโทษให้นี่อุปชามีอบัติถ้าลูกติดไม่ขอโทษนี่ก็ต้องอบัตถเหมือนกันถ้าเกิดท่านไม่อดโทษให้เราตายก็พึงไปในที่อื่นแล้วอยู่ในสำนักภิกษุทั้งหลายซึ่งเป็นสภาคะแก่อุปชาด้วยคิดว่าชะไหนอุปชาแม้รู้ว่าอยู่ในสำนักภิกษุเป็นสภาคะกันกับตนจะพึงอดโทษให้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 อันนี้เป็นวินิจฉัยในนิสัยประนับจากอุปัชานิสัยประนับจากอุปชามีห้าข้อส่วนการประนับนิสัยจากอาจารย์นั้นจะมีหกข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งอาจารย์หลีกไปสู่ทิศเหมือนกันข้อที่สองก็นาศีขาเพื่อนจากศาสนาเสียข้อที่สามก็ทํากาละก็คือตายเหมือนกันข้อที่สี่ก็หลีกไปเป็นเดรถีเหมือนกันข้อที่ห้าก็ประนามนิสัยเหมือนกันหมดเลย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 ถ้าแลไปจากบ้านนั้นชื่อว่าไปด้วยดีก็คือไปบิณฑบาตแล้วอนะเมื่อไปบิณฑบาตแล้วก็ไปก็ไปได้ดีละนิสัยก็ระงรับไปถ้าแลไม่ไปนิสัยไม่ระงรับถ้ายังไม่ไปก็นิสัยยังไม่ระงรับเพราะว่าเมื่อปรึกษากันแล้วว่าจะไปจากบ้านนั้นแล้วถึงจะระงรับถ้าแม้ลาว่าจะไปอาจารย์ว่าอย่าเพิ่งไปก่อนในกลางคืนเราปรึกษาใจดูจึงจะรู้ เมื aprender, si tao, no para, no ่อปรึกษาแล้วไปก็ชื่อว่าไปได้ดีนิสัยระงับถ้าไม่ไปไซนิสัยก็ยังไม่ระงับแต่ไม่บอกลาอาจารย์ดีไปถ้าเกิดไม่บอกลาเนี่ยดีไปเลยล่วงอุปจาระศีมานิสัยก็เป็นอันรงับเลยเมื่อกลับเสียแต่ภายในอุปจาระศีมาไม่ระงับถือเอาอุปจาระศีมาเป็นเกณฑ์ถ้าไม่ได้บอกลาถ้าแลอาจารย์บอกอันเทวศิกว่าเราจะไปที่โน้นแต่อันเทวศิกถามว่าจะไปเมื่อไหร่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 อาจารย์บอกว่าจะเที่ยวไปบินสบัดในบ้านนั้นแล้วจึงจะรู้ว่าจะไปหรือไม่ไปถ้าไม่ไปไสนิสัยก็ไม่ระงรับถ้าแม้บอกว่าจะไปอันเทวสิกฐ์กล่าวว่าอย่าเพิ่งไปก่อนนะครับกลางคืนท่านปรึกษาใจดูจึงจะรู้แม้ปรึกษาใจแล้วไม่ไปนิสัยก็ไม่ระงรับถ้าอาจารย์และอันเทวสิษฐ์ทั้งสองไปนอกสีมาด้วยจิตอันหนึ่ง ถ้าอาจารย์เมื่อจิตคิดจะไปเกิดขึ้นแต่ที่นั้นไม่บอกเลยและไปแล้วกลับเสียในทายในสองเรตุบาทนี้สายเมตตรงับเพราว่าสองเรตุบาทนี้ก็ถือว่าเป็นอุปจาระกนุจาระถ้าล่วงสองเลตุบาทออกไปแล้วจึงกลับมานิสัยเป็นอันตรนับเพราะฉะนั้นต้องขอนิสายใหม่ถ้าเลยสองเรตุบาทออกไปแล้วอาจารย์และอุปชาถ้าล่วงสองเรตุบาทไปแล้วอยู่ในวิหารอื่นนิสัยย่อมรงับเลยทั้งอาจารย์ทั้งอุปชานั่นแหละ แต่อาจารย์เพื่อนจากศาสนาแนะถึงกาละและไปเป็นเดรัจฉีนิสัยระงับในขณะนั้นแท้แต่ว่าท้าล่วงวัดไปก็เอาสองเลตุบาปปิจารวัตแต่ว่าถ้าตายไปเป็นเดรัจฉีแต่ว่าศึกก็นิสัยประงับทันทีแต่ในอาจารย์ประนามอันเทวสิษฐ์ผู้ไม่ประพฤติ ช, ชอบด้วยคําเป็นต้นว่าปะนาเมมิตังเราขอประนามเธอนั้น ถ้าแม้อาจารย์อยากจะปล่อยผัลเสียด้วยประนามนิสัยแม้อันเทวสิทธิ์ยังมีอะไรอยู่ว่าแม้อาจารย์ประนามเราเสียก็จริงแต่ท่านยังมีหาวุธัยยังอ่อนอยู่ดังนี้นิสัยไม่ประงับถ้าแม้อาจารย์มีอะไรอยู่อันเทวสิทธิ์ไม่มีอะไรปลงธุระเสียว่าทีนี้เราจัดไม่อาศัยท่านนี้อยู่แม้ดังนี้ก็ยังไม่ระงับเหมือนกันด้วยทั้งสองมีอะไรอยู่ไม่ระงับแท้ ข้างฝ่ายใดฝ่หนึ่งยังมีอะไรอยู่นี่ก็ยังไม่ระงับเมื่อทั้งสองตลงธุระเสียจึงระงับ น, นี่ต่างจะอุปชาอุปชานี่ท่านประนามแล้วก็เป็นอันระงับแต่ว่าอันนี้ยังต้องอยู่กับว่ามีอะไรหรือไม่มีอะไรอันเจวสิกอาจารย์ประนามเสร็จแล้วพึง ท, ำทํำธนกรรมตนเองให้ท่านอดโทษสามครั้งถ้าท่านไม่อดโทษไปพึงปฏิบัติโดยในดังกล่าวแล้วในอุปชาเถิด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 หรือไปบินธบาทในบ้านเดียวกันนิสัยก็ระงับจากอาจารย์อุปชาเห็นแต่ว่าสถิวิหาริกไม่เห็นไม่ระงับต้องเป็นฝ่ายสถจจิหาริกที่เห็นเห็นอุปชาเดินทางไปหรือว่าไปในอาตารู้ว่าเป็นภิกษุแต่ไกลไม่รู้ว่าเป็นอุปชานิสัยก็ไม่ระงับถ้ารู้จึงเป็นอันระงับอุปชาอยู่บนปราสาสถิวิหาริกอยู่ข้างล่าไม่เห็นอุปชาเลยฉันข้าต้มแล้วก็หลีกไป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 ไม่มีความเจริญเมตตาอย่างยิ่งนนอยอุปชอาอาจารย์สัติหาริกและอันติวสิทธิ์ประกอบด้วยโทษห้าอย่างนี้นี่ควรประนามถ้าอุปชอาอาจารย์ไม่ประนามเสียก็เป็นโทษต้องทุกข์กดอุปชอาอาจารย์ก็ต้ อ, อาบัตด้วยนะถ้ามีลักษณะอย่างนี้แล้วไม่ประนามส่วนสัติหาริกอันติวสิทธิ์ประกอบด้วยองค์เป็นคุณห้าอย่างก็คือมีความรักยิ่งในอุปชอาอาจารย์มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในอุปชอาอาจารย์มีความระอายิ่งมีความเคารพอย่างยิ่ง แล้วก็มีการเจริญเมตตาอย่างยิ่งในอุป a า h a อาจารย์พร้อมได้องค์คุณอย่างนี้นี่ไม่ควรประนามถ้าอุป a า h a อาจารย์ประนามเสียเป็นโทษต้องอบัติทุกฏสัจธิวิหาริกอันเตวติคอันอุป acha าอาจารย์ประนามเสียแล้วพึงขอขมาโทษท่านดังกล่าวในตอนถ้าไม่ขอขมาโทษต่อท่านต้องอบัติทุกกฎอุป a า h a อาจารย์เล่าอันอันเตวติคหรือว่าสัจฉิหาริยขอขมาโทษ ไม่ยอมอดโทษให้กออ็ต้องอบัตทุกโกรเหมือนกันอันหนึ่งพิสูุเป็นคนฉลาดองค์อาจเป็นผู้หูตูดตรงคุณเป็นต้นว่ารู้อาบัตและอนาบัติรักษาตนเองและผู้อื่นได้มีภาษาแต่สิบขึ้นไปจึงควรเป็นอุปชาและอาจารย์ให้นิสัยแก่พิสูุและสามเณรได้อันหนึ่งพิสูุเป็นคนฉลาดองอาจก็คือสามารถนนเอง เป็นผู้สูตรทรงคุณเป็นต้นว่ารู้จักอาบัตและอนาบัตรักษาตนเองได้และมีภญษาแต่ห้าขึ้นไปจึงเป็นนิสัยมุตตะก็ะคือพ้นนิสัยได้ถ้าไม่ฉลาดแม้มีภรษาถึงสิบก็ไม่เป็นนิสยะมุตตะไม่พ้นจากนิสัยพิสุตยังไม่เป็นนิสยะมุตตะจะไม่อาศัยอุปชาอาจารย์ถือนิสัยอยู่ได้ก็แต่ที่ถูกให้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 ติจุนอกนั้นจะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ควรแต่พิกจุผู้อยู่ป่าให้ผูกใจว่าการใดผู้ให้นิสัยที่สมควรมาเราจะอาศัยท่านนั้นอยู่อาจารย์ผู้ให้นิสัยถ้าให้นิสัยแก่พิจุที่เป็นอรัตชีก็ต้องทุกข์กอดและพิจูนม่งถ้าจะถือนิสัยอยู่ในพิกจุที่เป็นอรัตชีเล่าก็ อ, อบดับทุกข์กอดเหมือนกันเพราะเหตุนั้นทั้งอาจารย์และพิจูนม่งเมื่อยังไม่เคยให้นิสัยและเคยอยู่ด้วยกันพึงหยุด คอยดูว่าจะเป็นสภาค้ากันหรือไม่เป็นสภาคะอยู่สักสี่ห้าวันก่อนด้วยพระองค์ทรงอนุญาตไว้ดังนั้นไม่เป็นอบัติแก่ที่ตุหนุ่มซึ่งหยุดคอยอยู่นั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของวัดตัฐตฐานจบเรื่องของข้อวัดต่างๆสำหรับการถือนิสัยในยุคนี้จะต้องมีคุณสมบัติดังที่ท่านแสดงแล้วยุหนีแ้แปลแต่ผู้ที่ให้นิสัยจะต้องมีความฉลาดมีความสามารถเป็นผูู้สูดแล้วก็มีภาญาศิษย์ ขึ้นไปเนี่ยนั้นความฉลาดความสามารถนี่ต้องมีองค์มีองค์ของความเป็นผู้ฉลาดผู้สามารถนอกจากรู้ว่าอะไรเป็นอาบัติอานาบัติแล้ ว, วก็ยังจะต้องมีความรู้ในพระไตรปิฎกในพระสูตรในพระวินยัยโดยเฉพาะของพระวินัยนี่ต้องทรงวิพังทั้งสองคือพิกตุวิพังกับภิกษุณิวิพังด้วยเพราะฉะนั้นนี่ถ้าตอนนี้ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอแล้วก็พระิจตุก็ไปถือนิสัยกับพิกตุที่ ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอพูดที่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอนั้นไปให้นิสัยก็ต้องอบัติเพราะนั้นพิกตุจะต้องพิจารณาดูว่าเหมาะควรจะไปถึงนิสัยไหมถ้าไม่มีคุณสมบัติก็ยังไม่ควรไปถึงนิสัยเพราะนั้นขณะที่รอหาพิจตุที่มีคุณสมบัติอยู่พร้อมที่จะให้นิสัยได้ถ้ายังไม่มีนี่พิกตุที่แสวงหาอยู่ก็ยังไม่มีอบัติอันนี้ก็เป็นวัดตัตถ า, า, าวันนี้ก็สมควรแต่เวลาไยท่านทั้งหลายอาศัยความเอื้อเฟื้อในการศึกษาพระวินัย เพื่อจะได้เกื้อกูลแต่พระธรรมก็คือดีในตัวเป็นไปในเรื่องของศีลจะเกื้อกูลแต่พระธรรมในการอบรมจิตให้สงบจากนิวรณ์ทั้งหลายแล้วก็เกื้อกูลจากการอบรมอิปัสสนาเพื่อจะรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสธรรมก็ขอให้ศีลเป็นบาตแต่สมถะคือสมาธิสมาธิก็จะเป็นฐานเป็นกําลังของอิปัสสนาเพราะว่าพระพุทธเจ้าแสดงว่าบุคคลที่มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่ว่าคนที่จะสงบดังนับตั้งมั่นได้โดยที่ ไม่มีความเดือดร้อนกินแหลงแขงใจเลยก็ต้องมีศีลที่ดีเพราะฉะนั้นศีลก็เป็นสะพานแก่สมาธิสมาธิก็เป็นสะพานแก่วิปัสนาประชุมศีล ส, สมาธิปัญญาก็ทําให้สามารถละกิเลสได้โดยเด็ดขาดก็ขอให้ท่านถึงวันที่หมดสิ้นกิเลสเป็นพระอริยบุคคลพ้นจากวัฏฏุขุกในเร็วพันด้วยเถอสาธุสาธุสาธุอะนโมสาธิ